หากหวังปริญญาโทรจรีหรืออนุปริญญานะครับ เป็นนายแห่งปัญญาจึงกลัดกลาทุ่งทงเสีจาจเน้